นอบน้อมบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์กับขอากาศพระจารําไพศาลพระเทรานุเทระตลอดจนเพื่อนสัทว์ธรรมทุกท่านเจริญในธรรมไม่ชีและก็ยาติธรรมทุกคนวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษานในหลายๆคนก็ได้อยู่อธิษฐานจำพรรษา นะ่ะวัดป่าสุกโตนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราอยู่ครบสามเดือนนะก็หลายท่านเช่นพระภิกษุสงฆ์นะซ้ไ ม, มช่ชีหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาบางบางท่านก็ตั้งใจเนาะตั้งใจที่อยู่ที่วัดป่าสุกโตนะตลอดสามเดือนไม่ไปไหนนะหรือถ้าไปไหนก็ไป เฉพาะที่มีเหตุจำเป็นก็สัตหะไปขออนุญาตลาไปไม่เกินเจ็ดรไม่เกินเจ็ดวัน ก, ก็กลับมาอยู่ที่วัดอใาหลายคนก็ไม่เคยทำเช่นนี้นะเช่นพระที่เพิ่งบวชใหม่เองนะก็บางทีก็ก่อนบวชอาจจะมีความวิตกกองบนว่าเราจะทำได้หรือเปล่านะในการบวชนะต้องมา อดข้าวเย็นต้องมาทำวัดเช้าทำวัดเย็นให้ตรงเวลานะปฏิบัติธรรมนะหรือต้องอยู่กับคนหมู่มากนะหรือต้องอยู่กุฏิไกลๆคนเดียวเราจะอยู่ได้ครบสามเดือนหรือเปล่านอ่อนะนะบางคนก็อาจจะคิดเช่นนั้นแต่พอถึงวันนี้ก็คงตระหนักในใจแล้วเนาะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่เดือดวิสัยของเรา ในการที่เราได้อยู่ครบสามเดือนนะในอาว่าแห่งนี้นะแต่สําหรับคนเก่าเก่าที่เคยเข้าพรรษาแล้วก็จะรู้สึกว่ามันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนะนะการที่เราจะอยู่ที่ใดอย่างต่อเนื่องก็เป็นเรื่องที่นะเราเคยทํามาแล้วนะพรรษาที่สองพรรษาที่สามเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมันสบายๆนะถ้าอยู่ไปหลายสิบพรรษานี่ก็ รู้สึกธรรมดามันก็เหมือนแค่การเข้าพรรษาก็ไม่ค่อยต่างจากการออกพรรษาเท่าไหร่นแต่ยังไงก็ถือว่าดีนะดีที่เราได้ฝึกการอธิษฐา น, นเป็นการฝึกการอธิษฐานบารมีอย่างหนึ่งการอธิษฐานเข้าพรรษานก็คือการมีความตั้งใจที่อยู่เข้าพรรษาจนทั้งเราก็สําเร็จในวันนี้นะการอธิษฐานไม่ใช่เป็นการ คนไทยเราเข้าใจว่าการอธิษฐานคือการอ้อนบอนขอร้องนะเวลาเราไปกราบพระนะหรือไปคิดว่าที่ไหนศักดิ์สิทธิ์นะเราก็ไปอธิษฐานขอนขอให้ร่ํารวยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะขอให้ประสบกับความสุขเดี๋ยวได้ประสบกับความทุกข์นะเราก็จะเที่ยวไปขอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เขาได้ช่วยนะเป็นอย่างที่ เราต้องการนะอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ความหมายของคำว่าอธิษฐานที่แท้จริงนะการอธิษฐานที่แท้จริงคือการที่เรามีความตั้งใจนะที่จะทำอะไรแล้วเราก็มีความมุ่งมั่นนะที่จะทำให้สำเร็จให้ได้อันเนี้ยคือการอธิษฐานนะเหมือนพระพุทธเจ้าในคืนที่ท่านตัดสู่นะท่านก็อธิษฐานอนะ แม่เลือดเนื้อเหงื่อเอ็นนะจะเหือดแห้งไปก็ตามตราบใดที่นะเรายัางไม่บรรลุนะซึ่งความพ้นทุกนะเราก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้นะอันนี้ก็เป็นคำอธิษฐานที่ที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าเนาะแต่จริงการอธิษฐานข้าภาษาก็ไม่ได้ไม่ได้ น, ะนักนาสาหัสขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นสำหรับผู้ ผู้ฝึกใหม่ก็ได้อธิษฐานเข้าพรรษาแล้วก็ทำสำเร็จก็ต้องข อ, อนโมทนากับทุกท่านที่อยู่รุ่งวงจนถึงวันนี้ได้เนา ะ, นะเมื่อเราทำสำเร็จแล้วนะพระพุทธเจ้าเองท่านก็ทรงอนุญาตนะอย่างเช่นเราอยู่จำพรรษาครบสามเดือนนะมันก็มีอ น, นิสงฆ์นะของการของการอยู่ครบสามเดือนในการจำพรรษา อย่างพระพุทธองค์ก็บอกว่าเช่นเราจะไปออกจากวัดนี้ไม่ต้องบอกรานะหมู่เพื่อนก็ได้นะหรือเราจะไปที่อื่นนะไม่ต้องเอา พ, พาผ้าไตไปครบทั้งสามไตก็ได้ไตในที่นี้ก็คือจีวรสบงหรือว่าสังคตินะลองดูก็ไม่ต้องเอาสังคติติดตัวไปก็ได้ในการค้างลืม ในการค้างแรมที่อื่นหรือฉันอาหารเป็นคณะโภชนะหรือประดมประก็ได้คณะโภชนะคือการนั่งล้อมวงชันอาหารกันหรือว่าประดมประระก็คือการฉันแบบไม่เป็นเวลานะสมัยก่อนพระใหญ่พระท่านจะฉันมื้อเดียวบางทีก็จะมีฉันในระหว่างก่อนเที่ยงก็อาจจะฉันอีกมือ้อสองมือ้อฉันนิดๆหน่อยๆไปอันนั้นเรียก ว, ว่าเป็นฉันประดมประระ นะแต่วัดเราบางทีก็ไม่ค่อยถือไม่ค่อยรู้ว่าเอออันนี้ที่จริงพระพุทธเจา้าท่านก็ปรับอาบัติเป็นทุกกฎเยอะนะแต่พอถ้าได้อา น, นิสงส์งการเข้าพรรษานะก็สามารถฉันเป็นฉันคณะเป็นคณะโภชนะหรือว่าประดมประระได้หรือผ้าจีวร น, นะถ้ามีคนถวายผ้าเราก็สามารถที่จะเก็บไปได้ในจํานวนที่ ไม่จำกัดนะแต่ปกตินะผ้าเราก็ต้องถือวิ่นในนะก็ต้องถือผ้าสามพื้นนะถ้าได้ผ้าอดิเดก G ีวอนมาก็ถือได้ไม่เกินสิบวันก็ต้องสละทิ้งนะสละให้แก่คนอื่นหรือสละให้กับสงฆ์ตัวเองจะมีผ้าจีวอนสองชุดสังฆติสองสามชุดแบบนี้ไม่ได้นะแต่ถ้าเราจำพารษาแล้ว ถ้ามีคนถวายก็สามารถเก็บไปได้นะเกินสิบวันก็ไม่เป็นไรนะเก็บไว้เป็นหรือว่าเก็บไว้เป็นของตัวเองก็ได้นะอันนี้คืออานิสงส์ที่เราได้จากการจำพรรษาแต่ถ้าวัดไหนมีกระถินก็ก็ต่อไปอีกนะรวมอานิสงส์กานเข้าพรรษาด้วยก็เป็นห้าเดือนนะก็สามารถมีอานิสงส์ตัวนี้ได้ห้าเดือนแม้แต่ผู้ที่รับกระถินเองก็สามารถ เดินทางไปอยู่ออกไปที่อื่นได้เหมือนกันนะไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่กับวัดที่เดียวตลอดเวลาก็ไม่จําเป็นสามารถเดินทางได้ปกติแต่เพียงแต่ว่าต้องรักษาผ้าที่ตัวเองอธิษฐานถือเป็นผ้าผ้ากระถินนะ่นก็แค่นั้นก็ถือว่าเป็นการรักษาอ น, นิสงค์ให้กับหมู่คณะด้วยอันนี้อันนี้คือบางทีบางคนอาจจะไม่รู้นะ หรือบางทีไม่แต่ชาวบ้านเองบางทีก็ไม่รู้ระเบียบของบัสมากบางทีก็คิดว่าอย่างเข้าพรรษานี่ออกไปไหนไม่ได้เลยไม่แต่คืนเดียวเนะี่ยอันนั้นก็เพราะความไม่รู้ก็ไปพูดอย่างนั้นแต่จริงก็ยังออกไปได้ถ้ามีเหตุที่จําเป็นก็สัทหัดไปเนี่ยคือสิ่งที่อหลายคนก็คงทราบอยู่แล้วนะแต่มันก็มีอานิสงส์นะแต่จริงอานิสงส์ตรงนั้นเอ่อ คงไม่ได้สำคัญเท่ากับที่จริงอั น, นิสงในการฝึกจิตฝึกใจของเรานี่แหละนะอั น, นิสงที่เราได้ฝึกใจของเราในอดทนในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทนนะได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจเมื่อทำสาเร็จแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเกิดความภูมิใจนะที่เราได้สามารถทำสำเร็จอันนี้น่าจะเป็นอั น, นิสงที่ที่สำคัญกว่าเพราะว่า บางท่านก็อาจจะต้องลาสิกขาไปใช้ชีวิตคารวะหรือบางท่านก็ต้องออกไปทำการทำงานไปอยู่นอกวัดอานิสง์ในการที่เราได้ได้ฝึกใจนะหรือได้ทำตามสิ่งที่เราได้ตั้งใจนี่แหละมันจะเป็นอานิสง์ที่เราสามารถเอาไปทําได้ในชีวิตประจำวันของเรานะเรามุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่มันดีนะ หรือมุ่งมั่นในสิ่งที่แม้สิ่งที่ดีนั้นมันเป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จเนะ น, นี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นอา น, นิสงส์มากนะเราเะเพาะเรื่องการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมะเนะี่ยบางทีมันก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่ามันทวนกระแสกิเลสเนาะกิเลสอ่ะมันมีความอยากนะมีความอยาก โดยเฉพาะนะหลายคนมาอยู่วัดนานๆ น, น, นะหรือมาปฏิบัติทำนานๆมาบวชนานๆเ น, น, นี่ยบาทีออกไปข้างนอกเนี่ยกิเลสมันจะเรียกร้องแล้วนะบางทีอยู่วัดเนี่ยอยากกินอะไรก็ไม่ค่อยจะได้กินนะแต่พอออกไปข้างนอกนี่มันเห็นอะไรมันก็อยากไปหมดนะอยากกินนั่นอยากกินนี่นะหรือบางทีอยู่ที่วัดนะไม่ได้ดูหนังไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้ อ่านหนังสืออย่างที่ชอบใจพอกลับไปบางทีมันก็พอไปเห็นเสียงนั้นบางทีมันก็กระตุ้นความเคยชินที่เราเราอยากคล้ายๆมันเก็บกดหน่อยๆ น, นะพอออกไปนะมันจะคล้ายๆมันจะหลงได้ง่ายนะบางทีเราก็ต้องระวังนะโดยเฉพาะบางคนที่อาจจะต้องกลับไปใช้ชีวิตนะในกระแสะทั้งโลกนะแล้วเราจะต้องไปเจอในสิ่งที่เราคุ้นเคยเคยชินนะ เราต้องระวังมันจะตีกลับนะแม้เราเคยฝึกนะมาพอสมควรแต่พอมาเจอเรื่องพวกนี้นะมันก็เป็นบททดสอบว่าไอ้ที่เราฝึกเนี่ยเรา เ, เราสามารถทำต่อได้หรือเปล่านะเราสามารถ อ, อ, อดทนสักหน่อยได้ไหมเราสามารถที่จะรู้ทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจของเราได้หรือเปล่าเวลาออกไปเจออาหารเวลาออกไปเจอ สิ่งสวยๆงามๆหรือเวลาออกไปเจอสิ่งกระทบภายนอกนะจะดีก็ตามไม่ดีก็ตามเราสามารถอดทนมีสตินะดูกายดูใจเขาเป็นได้หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถนำไปฝึกได้นะนาไปฝึกต่อได้นะมีตัวอย่างหนึ่งที่ที่ก็น่าน่าสนใจนะเป็นเรื่องราวของของสามวันเอ็นนะที่ ที่เวียดนามนะท่านก็ฝึกนะนะท่านก็เป็นตัวอย่างของความที่ท่านฝึกตนดีนะอด ท, ทนแม้จะมีคนเข้าใจผิดนะสามนเณรคนนี้ก็เป็นสามนเณรที่อายุก็สักยี่สิบกว่านะก็เป็นคนที่ตั้งใจนะตั้งใจบวชนะเรียนอ่านหนังสือนะธรรมะพระสูตรต่างๆ ก็เกิดความสนใจที่อยากจะบวชก็เรียกว่าหนีที่บ้านมาเลยนะหนีพ่อหนีแม่มาขอบวชนะในอีกวัดแห่งหนึ่งนะมาอยู่กับเจ้าอาวาสแล้วก็มีมีเนรุ่นพี่อีกสองคนสองรูปนะก็อยู่ด้วยกันวัด น, นั้นก็มีสี่รูปก็ท่านก็ประพฤติตัวเป็นที่เคารพที่รักแล้วก็มีระเบียบวินัยที่ดีมากนะ ทั้งพระแล้วก็สามเณรที่อยู่ด้วยกันก็ชื่นชมนะรักใครท่านมากนะ่ะชาวบ้านเองก็มีศรัทธานะมาเรียนมาสนทนาธรรมอ่กับสามเณรมากเหมือนกันนะก็มีมีลูกสาวเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนที่หน้าตาดีมากก็มาชื่นชอบสามเณรรูปนี้นะ่นะอ่ะ มาพยายามที่จะชวนคุยมาบอกเจตนาในสิ่งที่ตัวเองรักท่านนะแต่สามเณรก็พยายามใบเบี่ยงพยายามหลบนะแล้วก็ไม่เล่นด้วยนะอยู่มาวันหนึ่งหญิงสาวคนนั้นก็ตั้งท้องนะตั้งท้องในหมู่บ้านก็ไปการโจทย์กันว่าเธอไปตั้งท้องกับใครก็ต้องแบบมีการหาคนรับผิด ช, ชอบไม่ได้นะในสมัยก่อนก็ต้อง หาพ่อเด็กให้ได้ ม, มันมีกดของหมู่บ้านอย่างหนึ่งนะประธานหมู่บ้านเขาบอกว่านเนี่ยเธอบอกมาเถอะนะใครเป็นพ่อของเด็กใครเป็นผู้ชายที่ทำเธอท้องอ่าบอกมาฉันจะจัดการให้เธอได้แต่งงานสมใจผู้หญิงคนนี้นะก็เอ่อไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายอีกคนหนึ่งไม่ใช่กับสามเณรนะ แต่ก็คิดว่าแต่เองในไหนก็ดักสามเณรแล้วสามเณรไม่เล่นด้วยก็บอกประธานหมู่บ้านไปเลยว่าสามเณรเป็นคนทําให้ตัวเองท้องะก็บอกไปอประธานหมู่บ้านก็เรียกเจ้าอาวาสเรียกสามเณรมาสอบสวนใหญ่แต่สามเณรก็ยืนยันว่าแต่เองไม่ได้ทํำเรื่องราวก็เออีดักอีเดือไม่ได้จบกันยังไงผู้หญิงก็ว่าสามเณรทาสามเณรก็ไม่รับนะ เจ้าว่ายก็ช่วยยืนยันว่าไม่น่าจะทำนะอันนี้ก็แต่สมัยก่อนมันก็ไม่ถึงขั้นต้องมาจับศึกอะไรกันมากก็ยังเรื่องก็ยังคาดาคาซังกันอยู่แต่ชาวบ้านก็ไปโจดกันเยอะแยะมากมายว่าบางคนก็เชื่อท่านบางคนก็เชื่อผู้หญิงนะก็ท่านก็กลับไปอยู่ที่วัดปกติธรรมดาจนกทั่งผู้หญิงคลอดลูกขึ้นมาก็ นะด้วยความที่ไม่ได้มีจิตใจที่จะรักกับผู้ชายคนนั้นแล้วก็เห็นว่าลูกเนี่ยเป็นตาบากของตัวเองนะก็เอารูปมามาไว้ที่วัดต้นนั้นแหละนะมาไว้ที่วัดมาทิ้งไว้ที่หน้าวัดสามเณรก็ลังจะลงไปบอกผู้หญิงคนนั้นว่าเออเธอไปหาพ่อของเธอเถอะนะมาถึงเธอไปหาพ่อของเด็กเถอะนะแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็เลี้ยงกันนะแต่ผู้หญิงคนนั้นก็หนีไปก่อนไม่ทันจะได้พูดอะไร สามเณรก็ไม่รู้จะทําไงก็ต้องรับเด็กคนนั้นไว้นะมาดูแลเรื่องราวนี้ก็ยิ่งเป็นที่โจษกันไปใหญ่เลยนะว่าเออถ้าไม่ใช่พ่อมันจะทําไมต้องมารับด้วยอะไรประมาณนี้ยชาวบ้านหลายคนก็เริ่มโจษละแม้แต่สามเณรดุนพี่นะ่ะสองลูปก็เริ่มไฟเขวละเออถ้าไม่ทําจริงเนี้มันจะรับหรือเปล่านะก็จากที่เคยชื่นชม สามเณรรุ่นน้องต่อไปก็เริ่มวันไหวแล้วว่าหรือว่าอาจจะมีเขาความเป็นจริงแต่สามเณรรูปนี้ท่านท่านคิดว่าการเลี้ยงเด็กนะมีอานิสงส์มากกว่าการสร้างพระการสร้างโบสถ์สร้างวัดวาอารามนะเพราะเด็กคนนี้นะนะเขาเป็นที่ไม่ต้องการสำหรับของพ่อของแม่ของคนอื่น แต่ในไหนเขาก็มีความทุกข์ที่ได้เกิดมาแล้วท่านก็คิดว่าท่านอยากจะเลี้ยงดูเด็กคนนี้นะท่านก็เลยตัดสินใจที่จะเลี้ยงดูเด็กคนนี้แม้ท่านไม่ใช่พ่อของเด็กเองนะแต่ท่านก็มาเลี้ยงอยู่ที่วัดนี่แหละนะท่านก็เลี้ยงผ่านการที่คนไม่เข้าใจนะแต่ท่านก็ทำของท่านไปเพราะที่จริงในชีวิตของท่านท่านเคย มีการโจทย์ท่านว่าท่านพยายามจะฆ่าคนตายแต่จริงท่านก็ไม่ได้ทํำเลยนะคือชีวิตที่เจอการเข้าใจผิดเจออุปสรรคนะแต่ท่านก็สามารถผ่านมันได้ด้วยขันติความอดทนอดกั้นคือที่จริงท่านมองให้ดึกกว่า น, นั้นท่านมองว่าที่จริงคนเด่านั้นนะเขามีความทุกข์เขามีความกลัวเขามีความหลงเขาได้ทําแบบนั้นนะ มันไม่ใช่เขาเป็นคนไม่ดีเสียทีเดียวหรอกแต่เขาถูกความกลัวครอบงำถูกความรักจนทํางกลายเป็นความหลงครอบงำนะถูกความโมโหประชดประชันครอบงำก็เลยอาจจะทำเช่นนั้นคือเขามองว่าศัตรูที่แท้จริงนะมันอยู่ที่ภายในใจนะของผู้คน ศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่คนนะแต่ศัตรูที่แท้จริงคือกิเลสในใจของคนนั่นแหละนะเราก็ควรที่จะทำหน้าที่ในการศึกษาทำไปเรื่อยๆนะแม้จะมีเด็กขึ้นมาให้รับผิดชอบแล้วก็รับผิดชอบไปจนทั้งท่านเลี้ยงดูเด็กคนนี้นะให้ประมาณพักหกปีนะหกปีหน้าที่มีคนเข้าใจบ้างมีคนไม่เข้าใจบ้างแต่ท่านก็ทำหน้าที่ของท่านด้วยดี ค น, นหลายคนก็เริ่มเข้าใจแต่หลายคนก็ยังยปักใจเชื่อว่าท่านเป็นพ่อของเด็กแน่เจนทั้งท่านป่วยอาพาธหนักนะอาพาธหนักเจนทั้งนั่งสมาธิแล้วก็ตายไปเลยนะตายไปสามเณรรุ่นพี่นะสามเณรรุ่นพี่ทั้งสองก็ได้บวชเป็นพระแล้วก็มาดูก็ธรรมดานะก็พอ มีสา ม, มนเณรหรือมีพระมรณาภาพก็ต้องจัดการศพนะท่านเสียชีวิตในท่านั่งก็ต้องจัดท่านให้อยู่ในท่านอนแต่ปรากฏว่าพอเริ่มไปจัดท่าะจะเช็ดตัวหรือว่าจัดจัดผ้าใหม่ก็ค่อยทราบความจริงว่าสา ม, มนเณรท่านนี้ที่จริงท่านเป็นผู้หญิงท่านปลอมตัวมาบวชนะในสมัยก่อนที่ที่เวียดนามเนี่ย ยังไม่มีกฎมีระเบียบให้ผู้หญิงได้บวชเป็นสามเณรดีหรือเป็นพิษุณีแต่จริงท่านมีความตั้งใจที่จะศึกษาธรรมะแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตนะในเพศนักบวชมากตัดสินใจปลอมตัวหนีออกมาจากบ้านนะมาขอบวชนะแล้วก็ท่านก็ทำตัวเหมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ชายตลอดเวลานะแล้วก็ แม้มีเรื่องราวที่มีผู้หญิงมาชอบมาปักปร๊มว่าท่านเป็นเป็นพ่อของเด็กแต่ท่านก็ยังอดทนอดกั้นนะเพราะอะไรท่านก็คิดว่าถ้าท่านบอกไปว่าท่านเป็นผู้หญิงเนี่ยเรื่องนี้ก็คงจบไปแล้วแหละแต่ท่านก็คิดว่าถ้าท่านบอกไปเช่นนั้นท่านอาจจะไม่ได้บวชต่อท่านก็คงลังเรภายในใจของท่านอยู่แต่จริงท่านก็เห็นว่าบางทีเอ การที่อยู่กับการที่มีคนเขาลินทาว่าร้ายมีคนเข้าใจผิดเนี่ยที่จริงมันก็เป็นบทเรียนในการฝึกตัวของท่านนะเป็นการฝึกใจของท่านให้ท่าน อ, าอยูนะ่กับความสรเสริญหรือความลินทาเนี่ยก็อยู่กับโลกรธรรมอย่าไม่ทุกร้อนได้นะท่านก็อยู่นะมีจิตใจที่สงบนะมีความเบิกบาน ขณะที่ตายไปก็ตายด้วยความสงบนะท่านเขียนบอกราเจ้าอาวาสบอกบอกราพ่อบอกราแม่บอกผู้หญิงคนนั้นที่เอารูกมาให้ท่านเลี้ยงบอกความเป็นจริงนะบอกเจตนาว่าท่านอรักพวกเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะแล้วเรื่องราวของท่านเนี่ยนหละนะนะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ คนดอนนั้นน่ะมาบวชมาศึกษาธรรมะอย่างแท้จริงนะทำให้ชาวบ้านแถบนั้นนี่มีความศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อยๆเนะี่ยบางทีคนคนหนึ่งที่เขาผ่านอุปสรรค ม, มากมายนะผ่านการเข้าใจผิดแต่เขาก็มีความตั้งใจจริงที่จะทำอะไรนะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะบวชตั้งใจจริงที่จะประพฤติธรรมนะ พอเขาทำได้จริงนะ เ, เด๋อวนี้ก็เขาก็เรียกเป็นโพธิสัตว์นะที่เวียดนามนับถือโพธิสัตว์ตนนี้มากนะท่านชื่อว่ากุนตำนะโพธิสัตว์กุญตำซึ่งมีคนเวียดนามนับถือมากนะแม้เป็นผู้หญิงแต่มีความเด็ดเดี่ยวในการตั้งใจปฏิบัติมากอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ เราเวลาเราทำอะไรระบีกเจตนาที่จะตั้งใจทำอะไรแล้วก็เราสามารถทำมันได้สำเร็จไม้จะต้องผ่านอุปสรรคมากมายขนาดไหนนะลองเอาตัวอย่างของโพธิสัตว์สามเณรรูปนี้ดูก็ได้ว่าอออท่านผ่านสิ่งที่ยากลำบากมากกว่าเราหลายเท่าหรืออย่างพระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันก็ผ่าน สิ่งที่ยากลําบากหลายเท่านะขวดจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยอธิษฐานบา ร, รมีนะที่ตั้งใจดีนี่แหละก็เป็นบา ร, รมีอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติธรรมของเรานะมันมีผลสําเร็จได้ก้าวหน้ามากขึ้ น, นเรื่อยๆนะแต่ก็ต้องอาศัยหลายส่วนประกอบกันนะที่จริงมันไม่ใช่การอธิษฐานมันไม่ใช่เพียงแค่การอดทนอดกั้น ไม่ทำตามกิเรสแต่จริงสิ่งที่สำคัญก็คือเราเรียนรู้ว่าในสภาวะนั้นที่เราเจอคำนินทาเนี่ยจิตใจเป็นแบบไหนนะเจอคาชมจิตใจเป็นแบบไหนเจอความอยากมาร่อมาร่อใจมันมีความอยากเกิดขึ้นมาใจเป็นแบบไหนเราสามารถที่จะอยู่เหนือมันได้หรือเปล่าหรือว่าเรายอมแพ้มันแล้ว อันนี้แหละคือเรามาเรียนรู้ดูกายดูใจนะเขาแสดงความจริงนะเขาแสดงความอยากเขาชวนเขาล่อเขาหลอกนะสารพัดวิธีแหละนะที่กิเลสเขาจะมาหลอกล่อเราเราต้องฝึกการรู้ตัวนะเหมือนที่นองพ่อท่านบอกว่าให้รู้ซื่อๆอะไรจะเกิดขึ้นมาให้รู้มันนะไม่ว่าจะเป็นกิเลสก็ดีนะหรือบางที บางทีก็เป็นกุศลเกิดขึ้นมานะบางทีเราปฏิบัติธรรมไปมีปิตินะเกิดขึ้นมาเนี่ยรู้ซื่อได้หรือเปล่านะหรือบางทีมีสมาธิเกิดขึ้นทําให้เกิดนะมีนิมิตนะเห็นนั่นเห็นนี่ได้ยินนั่นยินนี่เราสามารถรู้ซื่อได้ไหมนะนิมิตอาจจะเกิดขึ้นจริงแต่ให้เรารู้เฉยๆได้หรือเปล่านะหรือบางทีมันมีความสุขมีความสงบมาก เราไปจมกับความสุขหรือว่าเรารู้เฉยๆว่ามันมีความสุขนะน่ยดังนั้นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในใจของเรานะไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศล น, นะเป็นกิเลสหรือเป็นธรรมะเราสามารถรู้มันเฉยๆได้ไหมนะเพราะจริงจุดหมายของการปฏิบัตินะนะมีมีพุทธภารรษิตของพระพุทธองค์ท่านตัดไว้นะว่าสัพเพธรรมานารัง อภินิเวศายะนะปฏิบัติธรรมไปแล้วนะแม้แต่ธรรมทั้งหลายนะก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะแต่เราปฏิบัติธรรมแต่เราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นจนกทั่งนะกลายเ ป, เป็นเป็นตัวเป็นตนนะเป็นอัตตาเป็นมานะเป็นทิฏฐินะแต่เราปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อลดนะเพื่อระกนะเพื่อปล่อยเพื่อวาง อันนี้คือจุดหมายของการปฏิบัติไม่ว่าเราจะเป็นพระเราจะเป็นแม่ชีหรือเป็นค า, าวาสนะเราปฏิบัติธรรมเพื่อลดละนะสิ่งที่เราหลงยึดผิดว่า เ, าเป็นตัวเป็นตนนะของเราเนี่ยแหละแต่แท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าตัวตนที่แท้จริงไม่มีหรอกนะถ้าเราเข้าถึงความจริงจริงๆมันไม่ใช่เป็นการละหรือลดตัวตนหรอกแต่จริง มันเห็นว่าความจริงแล้วตัวตนไม่มีนะเหมือนที่หลวงพ่อคำเขียนมักจะพูดว่าไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรนะคือสภาวะที่แท้จริงแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรนะเราเพียงแค่หลงเชื่อว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่นแต่แท้จริงแล้วเดิมแท้จริง่ะตัวตนจริงๆมันไม่มีนะเมื่อมันไม่มีตัวตนจริงๆเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมานะ มันก็เป็นเพียงแค่สมมุติที่มันเกิดขึ้นนะมันไม่มันไม่ไปยึดไม่ไปถือถ้ามันเห็นความจริงตรงนั้นนะมันไม่ต้องไปปล่อยไม่ต้องไปวางนะแต่พอมันเข้าถึงความจริงว่ามันไม่ได้เป็นอะไรจริงๆมันไม่ได้มีอะไรจริงๆเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมากับกายก็ดีกับใจก็ดีเนี่ยพอมันไม่หลงไปยึดว่ากายใจนี้เป็นของเราเป็นตัวตนของเราจริงจเนี่ยที่เกิดขึ้นมามันก็มันเป็นเพียงแค่อาการ อาการที่เกิดขึ้นกับรูปอาการที่เกิดขึ้นกับนามก็แค่นั้นอันนี้แหละคือสภาวะที่เราต้องปฏิบัติแล้วก็เข้าถึงมันให้ได้เนาะนี่แหละคือจุดหมายของการปฏิบัติธรรมของทุกท่านแนละ้วก็คิดว่าวันนี้ก็คงสมควรเก่เวลาอะญยมก็รับสินต่อ